ที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปทางความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่นาใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อธิบายความการข่มจิตนั้นทั้งสอนให้ข่มในการควรขม่มเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐาน มีพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแช่มชื่นดำเนินไปด้วยดีในะอารมณ์กรรมาฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสัน ต, ติเหมือนการไหลของกระแสน้ําและกระแสไฟฟ้าเพราะสัน ต, ติทําให้รู้สึกเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดํารงอยู่ตลอดกาลละมองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่ แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันติคือความสึกต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมากตกไปในอารมณ์อนาคร่กล่าวคือตกไปในกรรมคุณห้ามีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตคือไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองและไม่มีที่สิ้นสุด การฝึกกิจได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคารมใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโคสนวันหนึ่งภิกษุประมาณหกสิบรูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้ว ไปสู่มาติกาคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถรัรมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกพิกษุพผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาดเพื่อนพิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรกแปดขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมหานรกแปดขุมได้แก่หนึ่งสันฉีบสองกาลสุด สาสังฆาสี่โรรุวะห้ามหาโรรุวาหกตาปักเจ็ดมหาตาปักแปดอเวจีอนหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาก็พระศัสดาพระองค์นั้นไม่ทรงโปรดปานคนโ อ, อ้อวดมีมายาและกิจคลานแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้คิดก็ตามแต่ทรงโปรดปานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทานาั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาท พวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลามาสูดที่บารุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบินทบาทในเวลาเช้าอันหนึ่งหากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุก ข, ขอให้มาตีระครังซึ่งอยู่ส่วนกลางพวกเราจักประชุมกันทํายาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทํากติกากันไว้อย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งอุบาสกมาหาภิกษุให้คนใช้ถือเหนืยใสยและน้ําอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหาร จึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนของตนไม่ออกมาพุกพ่านจึงปรารพบว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าออได้มนุษย์เทวสายอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสําคัญว่าภิกษุบางรูป จะไม่ถาสุกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกันสองรูปไม่ได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามพ่อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทำขัติกากันไว้ว่าเวลาทําสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทําการสาทะยายอาการสามสิบสอง มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาทำนี้พระาศาสดามิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการสามสิบหล่องแล้ว อุบาสิกาสาธยาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมักอนาคามิผลกรภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมพิทาสีและโลกียะอภิญญาห้าอีกด้วยเวน้นอสวรขยญาณ น, นอกนั้นเป็นโลกียะอภิญญามีอิทิวิธีแสดงฤทธิ์ได้และทิปจักสุตาทิปเป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มักและผลแล้วตรวจดูด้วยทิปจักสุไข้ครวญ อ, อยู่ว่า เมื่อไรเนาะพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมัติอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอะได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะเพียงพอสบายมุคละสปายะ แม้ข้อนี้ก็ไม่เด้ขาดอาหารสรรพายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่นอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสงครแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกรพีกรเป๋า จิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมวิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมักครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกาเมื่อออกพรรศ า, าแล้วปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้น ได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคําอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงอุ ป, ปการะของอุบาสิกา ผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสันเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้ว่าราชิตของผู้ตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคําสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไฟ เมื่อไปถึงวิหารในบ้านป่านั้นจึงคิดว่าเขาเล่าเลือกันว่าอุบาสิการู้ว่าราจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจะไหนหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้ม และแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างพิสุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วพิสุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกามานดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวรจิตของคนอื่นหรือทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทาทุกอย่างที่อาตมาคิด ภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเพี่ยงอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆปรับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาระจิตของคนอื่นได้ย่อมทําอย่างนั้นภิกษุนั้นคิดว่าเราทํากรรมหนักเสียแล้วธรรมดาผู้ดุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตําหนิเรา ทำให้เราละอายอยากระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่าดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจกไปสํานักพระาศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถะะิดค่ะอาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสํานักพระาศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไป เมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วาราจิตทุกอย่างธรรมดาปู้ทุชนก็มคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้ อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันโคลนแก่สมณะและแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้คมได้ยากเกิดดับเร็วมาตกไปในอารมณ์อันหนักไห้การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาสดาจึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ปาและการบำเพ็ญเพื่อบรุมรรคผล ภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกรูนอกทางมหาอุบาสิการูปพฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณิจมาถวายสองสาวันต่อมาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรคผลนั้นพลางรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าหน้าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแก่เราเราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกจากภพได้ มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอัตภาพนี้หรือหนอนางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพอื่นบ้างหรือไม่หนอท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไปเก้าสิบเก้าชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นพัญญาของท่านมาเก้าสิบเก้าชาตินางมีจิตปฏิพัในใชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึงเก้าสิบเ้าชาติมาแล้วท่านปรงธรรมสังเวทว่า น่าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแม่มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนใคร่ครวนอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยเถิดภิกษุได้สดับเสียงของอุบาสิกาด้วย โสตทาตอันเป็นทิพย์แล้วเราลึกถึงอัตภาพที่หนึ่งได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานป่าวปัญหาในมรสีผลสีแก่อุบาสิกานั้นและปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุณที่นั้นนั่นเอง